พระศาสดะเดบมาทุกแห่งหนเทพอยู่ณเบื้องบนสวรรค์สวานชั้นนานากามภพรูปภพอยู่เจนจบทุกทิศาเทพอยู่เหนือภูผาห้อมภูหาแห่งขิรี Institut Cartogràfic i Geològic de ที่อยู่ใกล้ไกลโปรดจงได้พร้อมเพรียงกันมาร่วม ผู้ท่านบรรดามีตั้งใจที่ เป็นดวงจากสู่แห่งโลกแม้พระองค์จะเสด็จดับขันนิพพาน ข้าพระพุทธเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเสียง ผู้ที่เป็นสมมติสงฆ์และอริยสงฆ์ทุกรูป ธรรมะเพื่อชีวิตทุกๆท่านวันนี้อาตมภาพพระสมรักษ์ญาณทิโรวัดพันสีตำบลจรพัดถึง 6:00 น. ใน เวลา 8:00 น. ถึงเวลา น. รายการเวลา 17 น. ถึงเวลา 18:00 น. ในรายการภาษาธรรมและนิทานธรรมและเวลา 17:00 น. 18:30 น. ถึงเวลา น. น, น, นในราย ตระมาภาพได้มาพบปักกับยัดจมวันนี้นั่นเป็นรายการที่ยัดจมสามารถที่จะร่วมสนธนาธรรมติชมรายการแจ้งผลยาสด Kilpee น่ายแบบได้ ระยะย่อมสามารถที่จะเข้าไปอีกช่วงที่ www.prasomrak.com และก็ www.romtham.com 43hotmailcom prasomrak@gmail.com หรือเขียน ทางอนามภาพก็ได้ที่ญาณัส่องถึง 32110 ยัดจง 75 ตามด้วยข้อความ 4221200 ก็ หนาก็ 75 ตามด้วยข้อความส่งไปที่ด้วยข้อความส่งไปที่ 4221200 2702 ได้เช่นเดียวกัน สามารถออกผ่านหน้าใหม่ กว่าพิเศษเนื่องจากว่าวันนี้อ่าท่านพระอาจารย์อีกท่านหนึ่งท่านไม่ว่างก็เลยมาจัดรายการในช่วงของถึง 6:00 น. แล้วก็เวลา 8:00 น. 17:00 น. ถึง 18:00 น. แล้วก็เวลา 18:30 น. น. ถึง 19:00 น. ไกลโปรดจงได้พร้อมเพรียงกัน Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, la อัตโนจะปรัตสสจะปรังสังกุปีตังยัตวาโยสโตอุปสัมมติแปลว่าผู้ใดรู้ว่าคนอื่นโกรธแล้วมีสติว่าผู้ใดรู้ กุฏฐังอปฏิกุจฉันโตสังขามังเฉติแปลว่าแปลชื่อว่าผู้ไม่ ทำอย่างไรจะหายโกรธนํามาฝากให้กับญาติ เราจะโกรธใครหรืออย่างไรเราจะหาทางแก้ไขปัญหาอย่าง ให้ช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นด้วยกาย มีคู่ปรับสําคัญอย่างหนึ่งก็คือความโกรธนะญาติโยมความโกรธ ในเวลานั้นเนี่ยญาติโยมมันเมตตาเนี่ยความมีเมตตามันหลบหายไปเลย มักโกรธด้วยคนที่โกรธก็ๆเพื่อที่จะระงับความโกรธวิธี พูดคุยให้ จะนำเสนออยากจะพูดคุยกับญาติโยมในวันวิธีอย่างไรที่จะระงับความโกรธเราได้ในญาติโยมขั้นตอนแรกเช่นไรอย่างว่าพระพุทธเจ้า แล้วก็ไม่ระงับความโกรธเสียสอนชาวพุทธให้เป็นคนมีเมตตา คนที่โกรธเขาก่อนก็นับว่าเลวอยู่แล้วคนที่ไม่ พระองค์ทรงสั่งสอนต่อไปว่านี่เขาโกรธมาเราไม่โกรธตอบไปอย่างนี้เรียกว่าชนะสงครามที่ชนะได้ยากเมื่อรู้ทัน เพราะฉะนั้นเนี่ยญาติโยมสาธุชนทั้งหลายนี่เราอย่าทําตัวว่านี่ข้อแรกมา แต่ 2 ต่อ ขั้นตอนที่ 2 ก็แล้วกันว่าเราจะพิจารณากัน ความโกรธนั่นแหละคือภัยที่เกิดขึ้น ต้องเดือดร้อนใจเหมือนถูกไฟเผาน่ะญาติโยมและการพิจารณาของความโกรธต่อ คารวะเนี่ยไม่มีหลายประการไม่มีคนโกรธเนี่ยญาติโยม เพราะฉะนั้นพระองค์ก็เลยสอนเพราะฉะนั้นนี่ความโกรธมีโทษก่อผลร้ายให้มากมายๆนะนิทาน บรรดาความโกรธนั้นมีแต่จะทําให้เกิดความเสียหายและก็ความพินาศไม่มีผลดีอะไรเลยจึงควรฆ่ามันทิ้งเสียนะญาติโยมอย่าเก็บเอาไว้ ค่าความโกรธแล้วไม่โศกเศร้าเลยเพราะฉะนั้นพิจารณาโทษของ ก็เข้ามาสู่ช่วงเข้ามาสู่ช่วงขั้นที่ 3 กันแล้วกันถ้ายังไม่หายโกรธเดี๋ยว จะหาคนดีครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่มีข้อบกพร่องลักษณะหรืออาการการกระทํา เมื่อจุดนั้นนี่แง่นั้นนี่ของเขาไม่ดีไม่ถูกใจเรานี่ทํา เกเรทําร้ายใครบางคนแสดงออกทางกระโดกกระเดกไม่น่าดูหรือการแสดงออกทางกายเหมือนไม่มีสัมมาคารวะญาติโยมแต่ว่าคํา หรือคราวนี้เขาทําอะไรๆเขาก็ๆ ต่อไปคนคนนี้คงจะๆเพราะความประพฤติไม่ดีอย่างนี้นรกอาจจะรอเขาอยู่ดังนี้อีกเดี๋ยวจะ 4 นะ เพื่อนสู้เราจะเก็บใจด้วย Ja doi ใจสุขที่อตอนไหนไป <nsmakes> อย่าให้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขที่อาตมาปรารถนาคือรักหนูจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจาก <tries> Afirmso a una llic ไปเมื่อสักครู่นั้นเป็นบทเพลงของการแผ่เมตตาเป็นภาษาไทยให้กับญาติ 4 ก็แล้ว และเป็นการลงโทษตัวเองให้สมใจศัตรูก็ เช่นศัตรูปรารถนาว่าขอให้มันหรือขอให้มันนอนเป็นทุกข์ขอให้ เป็นที่หวังได้อย่างมากว่าคนโกรธนิยัจจมจะทําผลร้ายเช่นนี้ให้เกิดแก่ตน ให้ศัตรูได้สมใจเขาโดยไม่ต้องลง ส่วนทางฝ่ายเราประโยชน์ที่ต้องการหรือความ ความประพฤติงามทั้งหลายที่เจ้า ด้วยการปล่อยให้ความโกรธนั้นเกิดขึ้นมาได้แล้วหรือ ศัตรูอาศัยความเครียดแค้นใดจึงก่อเหตุไม่พึงใจ ศัตรูจะทําทุกข์ให้แก่ผู้ใดถ้าไม่มีตัวตน 5 มา Oh mark when they've come การยัดชม 5 ขั้นที่ 5 นี่ท่านบอกเอาไว้ว่าให้เราพิจารณาความ เริ่มด้วยเราพิจารณาตัวเองว่าเราโกรธแล้วไม่ว่าจะทําอะไรการกระทําของเขานั้นเกิดจาก เราก็ทําร้ายแผดเผาตัวเองเสียก่อนแล้วล่ะเหมือนกับเรา <c oughs> ก็พิจารณาฝ่ายเขาบ้างในทํานองเดียวกันญาติโยมเมื่อเขาโกรธเขานะใน เราอย่ามัวคิดวุ่นวายอยู่เราเรา 6 ต่อนะ มา 6 ต่อกันแล้วกันว่าเราจะมีวิธี 6 นี่อยากจะฝากให้ 6 ก็แล้ว 10 ขั้นตอนด้วยกันถ้ามี 6 ญาติ ตอนที่ 6 เป็นตอนอย่างไรญาติโยมให้เราพิจารณาพระจริยวัตรในปางก่อนของพระพุทธเจ้าเราจะพิจารณากันอย่างไรก็ เมื่อทรงถูกคมเหงตันแคล้งเบียดเบียนด้วยวิธีๆก็ไม่ทรงแค้นเคืองทรงเอาเลยยาจอมบางครั้งพระองค์ เพราะฉะนั้นพุทธจริยาเช่นที่ว่านี้และจะ ในเมื่อเหตุการณ์ที่พระพุทธเจ้าทรงประสบนั้นเนี่ยร้ายแรงเหลือเกินแต่พระองค์นั้นยังทรงนี่ศีลอย่างเราจะ เพราะฉะนั้นพุทธจริยวัตรเกี่ยวกับความเสียสละอดๆมาพอเป็นตัว พระเจ้ามหาศีลวะครั้งนั้นนี่อํามาตย์คนหนึ่ง ในที่สุดอํานาจร้ายนั้นก็ใช้เหตุ พระเจ้าโกสลนั้นจับพระเจ้าศิลาวะได้แล้วจึงให้เอาไป เมื่อสุนัขนั้นเด้นรนรนแรงทําให้สุนัขตัวอื่น และพระราชทานอภัยโทษเพียงทรงกู้ราชอาณาจักรคืนแล้วให้พระเจ้าโกศลสาบานไม่ทำร้ายกันทรงสถาปนาให้เป็นพระสหาย อดอาหารนอนเขแมวสิ้นหวังสิ้นแรงพอดีในวันที่ 10 พญาวานรมาพบเข้าเกิดความสงสารจึงช่วยขึ้นมาจากเหวอื่นๆนั่น เรเราก็หิวแล้วฆ่าลิงตัวนี้กินเสียเถิดกิน แล้วพูดกับเขาโดยดีทํานองให้ความคิดว่าไม่ควรทําเช่น มาฟัง 7 ตอนที่ 8 ตอน 9 และตอนที่ 10 ก็แล้วกันวันนี้นํามาฝากให้กับญาติ ตอนที่ 4 พิจารณาว่าความโกรธคือการสร้างทุกข์ให้ตัวเองและเป็นการ 6 พิจารณาประจาริยวัตรในปาง วัดพันศรีตำบลจาระพัดอำเภอ